เรื่องบุญคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าบุญเป็นผลอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเลื่อนลอยไปรอคอยผู้ทำอยู่บนสวรรค์คล้ายๆกับว่าบริจาคเงินพันล้า น, านสร้างโบสถ์อยู่เมืองมนุษย์นี้ก็มีวิมานทองหลังหนึ่งผุดขึ้นบนสวรรค์ทอดกรถิ่นอีกทีแก้แหวนเงินทองตลอดจนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็เข้าไปบรรจุอยู่ในวิมานนั้นนี่แหละที่บางคนไปคิดว่าบุญก็คือสมบัติทิพย์ที่ตนนึกว่ามีหรือ ที่มีคนอธิบายให้ฟังว่าอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ดีในบางสมัยคือทําให้คนอยากทําบุญเพราะคิดว่าจะได้ไปเสวยบุญเมื่อตายแล้วแต่มาในสมัยนี้คําอธิบายบุญอย่างนั้นเป็นผลเสียคนฟังส่วนมากเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลและเห็นว่าการทําบุญเป็นการงมงายคิดอย่างนี้แล้วเลยไม่อยากทําบุญหรือทําก็ทําแต่พอเป็นประเพณีเสียไม่ได้ ไม่เข้าถึงจุดหมายเดิมจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้น่าเสียดายถ้าอยากจะทราบว่าบุญคืออะไรแน่ต้องหันกลับเข้ามาดูสภาพของตัวเองก่อนมองเข้าไม่ใช่มองออกคนเราคนหนึ่งหนึ่งนี้ประกอบขึ้นด้วยสิ่งสำคัญสองสิ่งคือกายบวกจิตกายหมายถึงเนื้อตัวตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปจนถึงศีรษะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆเช่น ตาหูปากฟันมือเท้าอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนี่กายส่วนจิตหมายถึงธาตุกายสิทธิชนิดหนึ่งสิงอยู่ในร่างกายของคนที่มีชีวิตมีหน้าที่นึกคิดสั่งใช้ร่างกายให้ทำให้พูดธาตุชนิดนี้ทางศาสนาเรียกว่าจิตแต่ถ้านับเรียงในลำดับธาตุชนิดเรียกว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้เป็นธาตุที่ละเอียดรวมความว่า สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเรามันมีอยู่สองงบด้วยกันคือกายกับจิตกายกับจิตแต่และอย่างมีความเจริญขึ้นและเสื่อมลงได้เหมือนกันร่างกายเวลามันเจริญขึ้นมันจะแสดงอาการอ้วนท้วนแข็งแรงมีน้ำมีนวลเวลามันเสื่อมมันก็แสดงอาการผอมโซ่ซสูบซีดมองคล้ำนี่ร่างกายดูความเสื่อมความเจริญทางร่างกายเสียก่อนทีนี้หันเข้าดูจิตใจ จิตใจก็มีเสื่อมมีเจริญเหมือนกันจิตใจเวลาเสื่อมจะแสดงอาการขุนมัวเร้าร้อนกระสับกระส่ายแต่เวลาจเจริญขึ้นจะแสดงอาการแจ่มใสป ล, ดปลอดโปร่งเยืกเย็นมั่นคงเรื่องอย่างนี้เราต้องสังเกตตัวเองจึงรู้อ่านแต่ในกระดาษอย่างเดียวไม่ได้ต้องหันเข้าอ่านที่ตัวด้วยนี่แหละเรื่องบุญบัป บ, บ, บ, บอยู่ตรงนี้ความดีขึ้นแห่งจิตนี่เองเรียกว่าบุญความเสียหายแห่งจิตนี่แหละ เรียกว่าบาปคำว่าบุญแปลว่าสะอาดพุดพ่องดีคำว่าบาปแปลว่าสกปรกเสียหายเลวทั้งคำว่าบุญทั้งคำว่าบาปเป็นคำพูดที่หมายถึงอาการของจิตใจโดยตรงเวลาพูดถึงคนประเภทนี้เราก็ชอบพูดกันว่าคนใจบุญหรือคนใจบาปคือว่ากันถึงใจทีเดียวใจอยู่ที่ไหนบุญบาป ก, ก็อยู่ที่นั่น ในคำบรรยายพุทธศาสตร์ข้าพเจ้าได้เปรียบความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับบุญบาปว่าจิตเปรียบเหมือนผ้าบุญเหมือนความสะอาดของผ้าบาปเหมือนความสกปรกของผ้าคือมันอยู่ด้วยกันความสะอาดของผ้ า, า, าผืาผนใดมันก็ติดอยู่กับผ้าผืนนั้นความสกปรกของผ้าผืนใดมันก็ติดอยู่กับผ้าผืนนั้นเหมือนกันจะแยกเอาผ้าไว้ต่างหากเอาความสะอาดในวงเล็บหรือความสาปกปรกไว้ต่างหากทําไม่ได้ อย่างเช่นเราจะขนเสื้อผ้าจำนวนหนึ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราจะแยกส่งแต่ความสะอาดของผ้าจำนวนนั้นล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเสื้อผ้าจะขนตามไปทีหลังอย่างนี้ทำไม่ได้ต้องไปด้วยกันอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันจิตกับบุญบาปก็เหมือนกันคือเป็นของที่ถ้ามีแล้วก็อยู่ที่จิตนั่นเองจะแยกเอาบุญไปเก็บไว้ในหีบหอบนบ้านหรือ แยกเอาบาปไปเก็บไว้ใต้ถุนหนุนช่องกับหมูกับหมาทำไม่ได้และเมื่อตัวยังเป็นเป็นอยู่จะรีจิสเตอร์บุญล่วงหน้าไปรอคอยที่สวรรค์ก็ทำไม่ได้ข้าพเจ้าพูดมาตรงนี้ท่านที่เคยฟังนิทานทางพุทธศาสนาบางเรื่องอาจนึกสงสัยเช่นเรื่องที่กล่าวถึงว่าคนผู้ทำบุญนั้นยังไม่ตายแต่เกิดสมบัติทิพย์ขึ้นรออยู่ที่สวรรค์เป็นต้นจึงขอเรียนชี้แจงไว้ว่า ถ้าหากจะมีสิ่งใดสิ่งใดเกิดขึ้นที่อื่นเพื่อให้คนมีบุญได้กินได้ใช้หลังจากตายแล้วนั่นเป็นเรื่องของบุญยริ์หรือแรงบุญไม่ใช่ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวบุญตัวบุญจริงๆอยู่ที่ใจของเรานี้ในวงเล็บถ้าหากเรามีบุญคือบุญนั้นถ้าผู้ทำให้มากถึงขนาดจะมีฤทธิ์ได้บุญก็มีฤทธิ์คือบรรดาให้บังเกิดผลดีได้อย่างอัศจรรย์ เหมือนกับคนเรียนหนังสือนั่นแหละเรียนเข้ามากๆความรู้มันรวมตัวเข้ามากก็แสดงฤทธิ์ออกมาได้เหมือนกันบางคนตัวยังอยู่มหาวิทยาลัยหัวหน้างานต่างๆคิดหมายตัวไว้ล่วงหน้าที่จะบรรจุเข้าทำงานเมื่อเรียนจบบางคนไปเรียนต่างประเทศทำคะแนนได้ดีมากทางราชการในประเทศถึงกับต้องเว้นตาแหน่งไว้ให้พอผู้นั้นกลับเข้ามาก็เชิญขึ้นครองตาแหน่งได้เลยนี่เรื่องวิชาความรู้ เมื่อความรู้เข้าไปรวมกันในตัวผู้ใดามากมันก็มีฤทธิ์จนถึงกับเกิดตำแหน่งไว้คอยบุญก็เหมือนกันเมื่อรวมตัวเข้ามากในตัวคนก็มีฤทธิ์สามารถที่จะบันดาลให้เกิดผลดีบางอย่างรอรับผู้มีบุญนั้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นรออยู่ที่อื่นทั้งหมดนั้นเป็นเพียงผลบุญไม่ใช่ตัวบุญโปรดนึกถึงคนที่มีความรู้อีกทีที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างมาว่าคนที่เรียนเก่งนั้นตัวอยู่เมืองนอก แต่มีผู้เก็บเก้าอี้ตำแหน่งรอคอยอยู่ในกระทรวงในเมืองไทยท่านเข้าใจว่าอย่างไรความรู้ในตัวของคนคนนั้นได้เดินทางเข้ามารออยู่ที่กระทรวงอย่างนั้นหรือเปล่าความรู้ยังอยู่ในตัวเขาอยู่กับเขาที่เมือง น, นอกโน่นส่วนตำแหน่งที่เกิดขึ้นรอทั้งนี้เป็นผลซึ่งเกิดจากฤทธิ์ของความรู้หรือถ้าจะมีใครพิศวาสจะสมัครเป็นแฟนเวลาเขากลับมา นั่นก็เป็นฤทธิ์ของวิชาความรู้คนมีบุญมากท่านว่ามีนางฟ้ารอคอยแต่นี่คนมีวิชาความรู้มากก็อาจมีนางดินรอคอยบ้างก็ได้เหตุใดข้าพเจ้าจึงมาย้ำตรงนี้มากตรงที่ว่าบุญกับจิตติดอยู่ด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและตรงที่ว่าไหนเป็นตัวบุญไหนเป็นฤทธิ์บุญ ถ้าท่านผู้อ่านได้อ่านหนังสือที่ข้าพเจ้าเขียนมามากพอสมควรคงจะรู้สึกว่าสถึงห้านาทีที่ผ่านมานี้ข้าพเจ้าได้ทำให้เกิดความเปะปะวนเวียนขึ้นในสมองของท่านเล็กน้อยเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นี่จะเป็นตอนที่ผู้เขียนกำลังง่วงนอนหรืออย่างไรเปล่าเลยท่านวันนี้ข้าพเจ้านอนสามทุ่มตื่นตีห้าตามปกติล้างหน้าไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็มานั่งเขียนอยู่นี่ไม่ง่วงไม่เหงาอะไรเลยแต่ที่ความมันเปะปะวนเวียนไปหน่อยนั้นมันมาถึงตรงแก่งน้ำวนเข้าพอดีเรื่องมันพาวนเหมือนพายเรือพาผู้โดยสารข้ามฟากเข้าคุ้งน้ำวนเรือก็วนบ้างนี่ข้าพเจ้าพยายามงัดไว้เสียเต็มแรงจึงวนนิดหน่อยเท่านั้นที่พูดมาแล้วนั้นห่วงจะตัดทางเข้าไปพูดถึงผลบุญเนื่องจาก มีหลายคนที่เข้าใจว่าการทำบุญเป็นเพียงการช่วยเหลือกิจการทางศาสนาไม่มีผลอันใดต่อตัวผู้ทาและหลายคนเข้าใจว่าคนทำบุญเป็นคนตัดช่องน้อยเอาตัวรอดจะไปหาความสุขความสบายลำพังตัวเองในชาติหน้าเมียก็มีใหม่ลูกก็มีใหม่แล้วอย่างนี้บุญของเขาก็ไม่มีประโยชน์อันใดแก่ครอบครัวคิดอย่างนี้แล้วเกลียดขี้หน้าคนทาบุญ พอผัวทำเมียก็ค่อนขอดพอเมียทำผัวก็ค่อนแคะหนักเข้าพอเห็นฝ่ายหนึ่งทำบุญสุนทานมากก็จะไล่ไปอยู่วัดท่าเดียวเรื่องของเรื่องเพราะไม่เห็นผลของบุญครบทุกอย่างนั่นเองอยากจะบอกนิดเดียวว่าบุญที่คนใดคนหนึ่งในครอบครัวทำได้นั้นไม่ได้เอาไปฝากไว้ที่วัดไม่ได้ส่งไปไว้ที่สวรรค์แต่อยู่ในตัวในใจของเขานั่นเอง มันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขานี่อยากจะชี้ให้เห็นตรงนี้เลยต้องตีวงกว้างออกไปกินเนื้อที่เสียหลายหน้ากระดาษแล้วบุญเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวอย่างไรเอา้าท่านทราบแล้วใช่ไหมว่าบุญคืออะไรถ้าท่านรู้จักบุญแล้วท่านก็ตอบได้เองว่าบุญมีประโยชน์แก่ครอบครัวเพียงใดหรือไม่บุญคือความสะอาดของใจ ความเจริญขึ้นของใจทั้งหมดทั้งสิ้นรวมเรียกว่าบุญนี่ว่ามาแล้วถ้าลองตอบคำถามง่ายๆเหล่านี้เสียก่อนก็ได้ความสะอาดของเสื้อผ้ามีประโยชน์แก่ผู้สวมใส่หรือไม่มีทำไมจะไม่มีความสะอาดของหลอดโคมไฟมีประโยชน์แก่ผู้ใช้หรือไม่มีจำเป็นทีเดียวแหละความสะอาดของถ้วยชามีประโยชน์แก่ผู้ใช้หรือไม่มีจาเป็นเหมือนกัน ความสะอาดของบ้านเรือนมีประโยชน์แก่ผู้ใช้หรือไม่มีแน่นอนนี่แหละท่านความสะอาดมันอยู่กับสิ่งอื่นแท้ๆมันอยู่ที่เสื้อผ้ามันอยู่ที่ถ้วยชามมันอยู่ที่บ้านเรือนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่มันเป็นประโยชน์แก่เราและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและถ้าคู่ครองของท่านมีสุขภาพร่างกายดีเนื้อตัวของเขาสะอาดสะอ้านความสะอาดสะอ้านและสุขภาพอันสมบูรณ์ในร่างกายของเขา จะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านหรือไม่โปรดตอบด้วยใจเป็นธรรมอย่าบิดเบือนความจริงของท่านเองคําตอบของท่านเองคําตอบของท่านผู้ฟังทุกคนซึ่งแม้จะอยู่กันคนละมุมโลกก็จะตรงกันหมดคือต่างก็จะตอบว่าได้รับประโยชน์จากเขาแม้ว่าความดีงามนั้นอยู่ในเรื่องร่างของคนอื่นเขาเราผู้เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับประโยชน์ด้วยแน่นอนที่สุดที่พูดมานี้เพียงสิ่งของสถานที่ และร่างกายทีนี้ใจละ่ะก็เหมือนกันถ้าคู่ครองของท่านเป็นคนใจดีแม้ว่าความดีนั้นจะอยู่ที่ใจของเขาแต่ก็จะหลั่งประโยชน์ออกมาให้ผู้ใกล้เคียงด้วยอย่างเช่นผัวใจบุญเมียก็พลอยสบายด้วยเมียใจบุญผัวก็พลอยเป็นสุขด้วยพ่อแม่ใจบุญลูกๆ ก, ก็พลอยสุขสบายที่ข้าพเจ้าพูดนี้ดูจะเป็นคำพูดพื้นๆบางท่านอาจไม่เห็นจริง แล้วพระเจ้าก็รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถจะหาคำพูดมาเป็นเชิงท้าด้วยคำขาดว่าคนทุกคนที่ไม่รู้คุณค่าของคู่ครองที่ใจบุญถ้าหากเขาไปได้คู่ครองที่ใจบาปเข้าเมื่อไหร่สีหวันเท่านั้นแหละจะรู้เองว่าอยู่กับคนใจบุญมันสุขสบายอย่างไรคนใจบาปนั้นมีแต่เล่เหลี่ยมรับลมคมในคิดร้ายต่อใครๆไม่มีสิ้นสุด เมื่อคนอื่นร่ำรวยเขาพร้อมที่จะเป็นโจรเมื่อคนอื่นขัดใจเขาก็พร้อมที่จะเป็นเพชฌฆาตและเมื่อมีโอกาสเขาก็พร้อมที่จะทำลายได้ทุกคนอย่างนี้แหละคนใจบาปนอนใกล้คนเปื้อนคู่เต็มตัวดีกว่ามีผัวใจบาปร้อยเท่าตรงกันข้ามคนใจบุญเป็นคนพร้อมที่จะเป็นผู้พิทักษ์เมื่อยามมีสมบัติคราวที่อีกฝ่ายพลาดพลัง้งทาขัดใจ ก็พร้อมที่จะให้อภัยและตักเตือนความซื่อสัตย์เห็นอกเห็นใจกันความเมตตาสงสารและคุณธรรมทุกอย่างที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นรวมพร้อมอยู่ในหัตถของคนใจบุญหากจะเอาบุญในดวงใจของคู่ครองออกมาตีราคาด้วยเงินตราแล้วเราก็ไม่สามารถจะตั้งราคาที่พอจะสมกันได้เลยดวงใจที่มีบุญเปี่ยมอยู่นั้นดูจะมีค่ายิ่งกว่าแก้มณีพันดวงรวมกันเสียด้วยซ้า เพราะอะไรหรือหญิงจะเป็นเมียแก้วของผัวรักชายจะเป็นคู่ชื่นของเมียขวัญและพ่อแม่จะเป็นร่มโพทองของลูกๆถ้าหากเขาเป็นคนใจบุญวิธีทําบุญปัญหาขั้นต่อไปอยู่ที่ว่าเราจะได้บุญมาโดยวิธีใดบุญเป็นสมบัติที่แปลกอย่างหนึ่งคือไม่มีที่ซื้อไม่มีที่ขายไม่มีที่จะหยิบยืมกันใช้ได้ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนความสะอาดของเสื้อผ้านั่นแหละไม่มีที่ซื้อขายอย่างมากก็มีการซื้อขายกันแค่เครื่องมือในการทําความสะอาดเช่นสบู่หรือผงซักฟอกซึ่งความจริงแล้วสบู่ก็ดีผงซักฟอกก็ดีมันไม่ใช่ความสะอาดเป็นเพียงเครื่องประกอบในการทําให้มันสะอาดเท่านั้นตัวความสะอาดจริงๆต้องทําขึ้นใหม่ความสะอาดของจิตใจที่เรียกว่าบุญก็เหมือนกันเราต้องทําขึ้นเอง ตามคำแนะนำของท่านผู้รู้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำวิธีทาบุญไว้3าวิธีด้วยกันคือ 1. การบริจาคทรัพย์ให้คนอื่นในวงเล็บทาน 2. การตั้งใจละเว้นการทำผิดในวงเล็บศีล 3. การอบรมศึกษาจิตใจในวงเล็บภาวนาในวิธีทาบุญ3วิธีวิธีแรกเกี่ยวกับวัตถุภายนอก คือต้องเสียสละเงินทองหรือข้าวของซึ่งเป็นของตนให้คนอื่นการตัดสินใจเสียสละนี้เป็นวิธีทำให้เกิดการไหวตัวหรือสันสะเทือนในใจของคนทำมันเป็นของแปลกอยู่การสันสะเทือนนี้จะคลายกิเลส ท, ที่รัดรึงใจของเขาออกหลายอย่างเช่นความฝ่ายต่ำความคดโกงความชอบโกงความคับแคบความตะหนีความเห็นแก่ตัว ความมากๆความเอารัดเอาเปรียบและอื่นๆอาการเหล่านี้เป็นสิ่งเลวร้ายในใจของคนเมื่อเขาทำการบริจาคข้าวของของตนหยิบยื่นให้คนอื่นอาการเหล่านี้จะคลายตัวออกทีละน้อยละน้อยจนหมดสิ้นไปในที่สุดเหมือนเอาลงขยี้ในน้ำสบู่ทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่กับเนื้อผ้าหลุดไปฉั น, นั้นการบริจาคนี้ผู้ทำจาเป็นต้องใช้วัตถุภายนอกประกอบคือ ต้องจ่ายทรัพ์ของตนจะนึกเอาเฉยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าควรจะตั้งงบจ่ายรั์ไว้งบหนึ่งสาหรับทาบุญสนทานการบริจาคทำบุญนั้นถ้าเรามองตรงที่เราจ่ายทรัพ์ก็จะรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายเสียเงินแล้วถ้ามองที่ผู้รับทานเราก็จะรู้สึกว่าผู้รับเป็นคนได้เปรียบเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบเลยไม่เห็นทานเห็นแต่การเสีย เสียเงินแล้วยังไม่พอแถมเสียปเปรียบอีกด้วยเสียสองซ้ำสามซ้ำแต่คนตาดีมองเข้าที่ใจจึงเห็นผลที่ได้คือได้ความสะอาดของจิตซึ่งเรียกว่าบุญตัวคนบริจาคเองก็ได้บุญซึ่งจะเป็นสมบัติติดตัวทั้งในชั่วนี้ชั่วหน้าใครเป็นเมียก็ได้ผัวใจบุญใครเป็นผัวก็ได้เมียใจบุญใครเป็นลูกก็ได้พ่อแม่ใจบุญหรือ ใครเป็นพ่อแม่ก็ได้ลูกใจบุญเป็นโชคลาภมหาศาลของคนทั้งครอบครัวแต่จะอย่างไรก็ตามมีข้อควรจำที่สำคัญอยู่ในการบริจาคทานที่จะให้เกิดบุญขึ้นในจิตเต็มแม่เต็มหน่วยเราผู้ให้จะต้องพยายามให้โดยวิธีถูกต้องคือเงินทองข้าวของที่จะให้ต้องเป็นของที่ได้มาโดยสุจริตให้ด้วยเจตนาเคารพเอื้อเฟื้อในการบุญ และให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมซึ่งเป็นที่รู้กันว่าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลเป็นผู้ควรรับของให้คิดไว้เสมอว่าเราทําบุญนั้นทําเพื่อให้จิตใจของเราบริสุทธิ์สะอาดมิใช่ทําเพื่อพอกภูกิเลเการซักผ้าที่จะให้สะอาดดีแท้จําเป็นจะต้องใช้เครื่องซักฟอกในวงเล็บสบู่ที่ดีขยี้ให้ถูกแบบและล้างด้วยน้ําสะอาด3 ส, สิ่งรวมกันผ้าจึงจะสะอาดแท้ การทำทานเพื่อให้จิตใจสะอาดก็เหมือนกัน 1. ของให้ 2. วิธีให้และ 3. คนรับ 3. สิ่งจะต้องจำไว้ให้ขึ้นใจจึงจะไม่เสียของเปล่าเสร็จกันทีเรื่องการทำบุญด้วยการบริจาคทานส่วนวิธีการทำบุญอีก2วิธีคือการรักษาศีลและการบาเพ็ญภาวนาซึ่งอยู่ในอันดับที่2และ3 เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้คลองเรือนจะต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่จะไม่ขออธิบายให้พิสดารในที่นี้เพราะเหตุ2ประการคือ1เวลาที่เรากำลังพูดถึงปัญหาการจ่ายทรัพย์ซึ่งมีอยู่ด้วยการถึง5งบรวมทั้งงบทำบุญนี้ฉะนั้นจึงจะพูดถึงการทำบุญเพียงวิธีเดียวคือวิธีบริจาคทานซึ่งเป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายทรัพย์ถ้าจะเอาเรื่องจาศีลภาวนามาบรรจุลงในเรื่องนี้ด้วย จะทาให้เสียเรื่องเสียรถเป็นอันมากกลายเป็นธรรมกะถึกย่านไซคือให้เรื่องพาไปประการที่สองเรื่องจำศีลภาวนาเป็นเรื่องยาวและข้าพเจ้าได้เขียนไว้เพียงพอแล้วในขบรร ญ, ญายพุทธศาสตร์ฉบับฉลอง25พุทธศตวรรษหากจะเขียนอีกก็ต้องเขียนซ้ำความเดิมแล้วธุระอะไรที่จะต้องทำอย่างนั้นท่านผู้อ่านส่วนมากก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรงอกเงยนักหนา แล้วทางข้าพเจ้าก็ยังมีเรื่องอื่นที่จะต้องรีบเขียนเสนอต่อสังคมอีกมากมายมัวช้าอยู่ไม่ได้ด้วยเหตุผลสองประการนี้ข้าพเจ้าขออภัยที่จะผ่านเรื่องวิธีทําบุญอีกสองข้อไปเสียขอฝากข้อคิดไว้เพียงสั้นๆว่าท่านทําบุญด้วยทานเหมือนกับท่านอาบน้ําชําระกายให้สะอาดถ้าท่านรักษาศีลด้วยเท่ากับท่านอาบน้ําแล้วประดับกายด้วยอาภรพิว่า ท่านบำเพ็ญภาวนาอีกจะเท่ากับท่านอาบน้ำแต่งตัวและบริโภคอาหารอิ่มท้องด้วยควรอย่างยิ่งที่เราจะทำบุญทั้งสามวิถีผนวกหลักการจ่ายทรัพย์สรุปแล้วหลักความสุขสมบูรณ์ของคนครองเรือนหลักที่สามคือการจ่ายทรัพย์ในหลักนี้พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ตั้งงบจ่ายไว้ห้างบด้วยกันข้อความที่ผ่านมาเป็นระยะ ยาวคราวไกลมากจึงย่นย่อพอทบทวนความจำแก่ท่านผู้สนใจดังนี้ 1. เลี้ยงดูครอบครัวคือการจ่ายทรัพย์ในการเลี้ยงดูผู้คนในครอบครัวซึ่งมีอยู่3ามเหล่า 1. ภรรยาสามีและบุตร 2. มารดาบิดาและ 3. บริวารชนคนในบ้าน 2. เลี้ยงเพื่อนฝูง คือจ่ายเลี้ยงดูมิสหายตามการอันสมควรรวมทั้งการจัดหาของขวัญและของฝากเป็นครั้งคราวด้วย 3. ามบำบัดอันตรายผู้ครองเรือนจะต้องเป็นคนระแวงภัยที่น่าจะระแวงและระวังภัยอันอาจมาถึงรวมความว่าต้องเตรียมตัวเตรียมกายให้พร้พรอมแม้ว่าจะจ่ายทรัพย์ก็ควรทำา 4. ทําพีกรรมคือเสียสละทำพีทั้ง5้า 1. ญาติพี 2. อัธิพี 3. ปุพพะเปตะพลี 4. ราชพีและ 5. เทวตาพี 5. บริจาคทานทรับของครอบครัวซึ่งมีค่ามหาศาลอย่างหนึ่งคือความใจบุญของคนในครอบครัวเราจะได้รับอันประเสริฐนี้มาด้วยการบริจาครับภายนอกออกทำทานให้บรรพชิตผู้สงสีน หลักที่สคนครองเรือนร้อยทั้งร้อยหมายมั่นปั้นมือที่จะหาความสุขและคิดเห็นช่องทางคนละทางสองทางที่จะทําให้ตนมีความสุขสมบูรณ์คนบางพวกคิดกันทีเล่นทีจริงว่าถ้าจะให้สุขสมบูรณ์แท้ต้องมีเมียญี่ปุ่นกินอาหารจีนอยู่บ้านแบบฝรั่งแล้วก็อยู่ในเมืองไทยทำให้ครบสี่อย่างนี้แล้วจะได้สุขครบมติอื่นๆอีกก็ยังมี ว่ากันไปตามที่คิดได้หลักความสุขสมบูรณ์ของพระบรมครูของเราก็4หลักเหมือนกันแต่ 4. คนละแบบพระพุทธองค์ตรัสว่าคฤหัสผู้ครองเรือนจะสุขสมบูรณ์ต่อเมื่อ1มีทรัพย์ 2. จ่ายทรัพย์ออก 3. ไม่มีหนี้และ4ทํางานไม่มีโทษพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้และเดี๋ยวนี้เรากําลังพูดถึงหลักที่สคือ ความไม่มีหนี้ขอพูดเรื่องหนี้เสียก่อนจะได้จำกัดวงอธิบายธรรมะได้ถูกต้องเรื่องหนี้สินนั้นเดิมจริงๆเป็นเรื่องของการกู้เงินทองจากคนอื่นเอามาตั้งตัวหรือเอามาแก้ไขเหตุการณ์เป็นครั้งเป็นคราวเป็นลักษณะของการช่วยตัวเองไม่ได้จึงได้วิ่งไปพึ่งคนอื่นแล้วที่จะกู้เขาได้ก็ต้องกราบกราบไหว้ขอความเมตตาการุณาจากเขา ทางฝ่ายผู้ให้กู้ไม่ให้เขากู้ไปแล้วก็มักจะถือตัวเป็นเจ้าบุญนายคุณเป็นเบี้ยบนของลูกหนี้ห น, นี้แบบโบราณเป็นเรื่องของการแก้ขัดแท้ แ, ทและถ้ากู้เงินเขามาแล้วใช้หนี้เขาไม่ได้หมดสติปัญญาเข้าจริงๆเลยยกลูกสาวตัวให้เขาไปก็มีเมียสมัยโบราณจึงมีอีกประเภทหนึ่งคือเมียใช้หนี้รวมอยู่ในเมียประเภทธนกีตา เมียแลกด้วยซัพย์คนที่ไม่มีลูกสาวและไม่มีทางจะใช้นี่เขาได้ถึงกับยอมเป็นทาสในเรือนของเจ้าหนี่ก็มีคนประเภทนี้เขาเรียกว่าทาสซึ่งมีมากในยุคโบราณสมัยนี้กิจการเกี่ยวกับนี่ขยายตัวออกไปมากแล้วการกู้นี่ซึ่งชั้นเดิมเป็นนี่แก้ขัดเดี๋ยวนี้มีนี่แบบใหม่อีกแล้วคือนี่ตั้งตัวหมายความว่ายอมเป็นนี่เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นหลักฐาน ได้แก่การสร้างตัวด้วยเงินผ่อนซื้อที่ดินผ่อนส่งซื้อรถยนต์ผ่อนส่งซื้อบ้านผ่อนส่งตู้เย็นพัดลมมิทยุโทรภาพและอื่นๆอีกผ่อนส่งกันได้โดยมีกำหนดระยะเวลาฝ่ายผู้ค้าก็คิดดอกเบี้ยงเงินทุนรวมเข้าไว้ในราคาขายแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นหนี้เหมือนกันแต่ก็กว่าประเภทหนี้แก้ขัดหน่อยนอกจากนี้กระบวนการกู้หนี้ยืมสิน พัฒนาการออกไปในรูปการค้าอีกมากมายเช่นเปิดเครดิตทางการค้าขายสินค้าจนกระทั่งเปิดเป็นธนาคารกู้เงินประชาชนที่นําไปฝากไปหมุนเวียนบางคราวรัฐบาลเองออกพันธบัตรกู้เงินจากประชาชนเอาไปใช้ในกิจการของรัฐบาลรวมความว่างานกู้หนี้ยืมสินได้พัฒนาการออกไปมากและนับวันแต่จะขยายออกไปในทางศาสนา พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงตำหนิว่าการมีหนี้เป็นบาปเป็นกรรมหรือเป็นงานต่ำไม่ได้ทรงตำหนิว่าคนมีหนี้เป็นคนเลวซามเพราะทรงทราบอยู่แล้วว่าการครองเรือนนั้นในบางคราวไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ได้ข้อนี้นับว่าเป็นพระปรีชาญาณที่รอบคอบอย่างยิ่งถ้าหากพระองค์จะทรงห้ามไม่ให้คนเป็นหนี้กันอย่างนั้นจะเป็นความลาบากเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่เท่าที่ผมได้ศึกษาเปรียบเทียบข้อธรรมต่างๆดูเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงนิยมชมชอบการเป็นหนี้จริงการเป็นหนี้นั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นทุจริตแต่มันเป็นทางมาแห่งความทุกข์และความยุ่งยากอื่นๆจะสังเกตได้ว่าพระองค์ทรงห้าไม่ให้คณะสงฆ์รับคนมีหนี้สินรุงรังเข้าบวชเป็นพระนาคที่จะขอบวชทุกคนจะถูกซักถามในถ้ำกลางสงฆ์ว่าอนนาโนซิก เจ้ามีหนี้ไหมและเมื่อนากรับว่าตนไม่มีหนี้สินแล้วจึงให้คณะสงฆ์รับเข้าบวชการที่ทรงกีดกันคนมีหนี้ศินแล้วส่องความว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้พระเป็นหนี้ชาวบ้านเพราะถ้าพระมีหนี้แล้วจะเกิดความเสียหายสองทางคืออาจจะมีการฟ้องร้องด้วยหนี้สินเกิดการทะเลาะวิวาสหรืออาจถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลก็ได้อันเป็นการผิดวิสัยของสมณนะอีกอย่างหนึ่งหนี้นั้น ไปคล้องคอใครเข้ามันจะทาให้จิตใจไม่สงบไหนจะคิดใช้นี่ไหนจะคิดบวกดอกเบีย้ยไหนจะหวาดสะดุ้งกลัวเจ้านี่ตามทวงใจอย่างนี้แม้จะบาเพ็ญภาวนาก็ยากที่จะสงบลงได้ฉะนั้นนี่จึงเป็นข้าศึกกับสมณะสำหรับด้านคารวาสคือในวงการคนคลองเรือนพระพุทธเจ้าไม่ทรงตาหนิคนมีนี่ว่าเป็นคนเลว เพราะการกู้หนี้ยืมสินกันไม่เป็นบาปเป็นกรรมอย่างไรแต่ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงหยิบเอาความจริงขึ้นมาตรัสไว้เป็นการเตือนใจผู้ครองเรือนว่าการมีหนี้ติดตัวนั้นเป็นความทุกข์ถ้าไม่มีเสียได้แล้วมันจะสุขกว่าทุกข์เพราะหนี้อินาทานังทุกขังโลเกมีหนี้สินติดตัวเป็นทุกข์ในวงเล็บอย่างหนึ่งในโลก นี่คือพระพุทธวจนะที่ตรัสถึงนี่ซึ่งเป็นการหยิบเอาความจริงขึ้นมาตรัสไว้ได้ว่ามาแล้วว่านี่มีอยู่สองประเภทคือนี่แก้ขัดทรงตัวอยู่ไม่ได้หรือไปไม่รอดแล้วจึงกู้นี่เขากับนี่ตั้งตัวคือตัวเองมีฐานะพอทรงตัวอยู่ได้แต่ทำนี่สินเพื่อก่อสร้างตัวให้ดียิ่งขึ้นทีนี้นี่ที่ว่ามีแล้วทุก ในพระพุทธวจนะนี้หมายถึงนี่ทั้งสองต่างกันบ้างเพียงว่าอย่างไหนทุกมากอย่างไหนทุกน้อยเท่านั้นเองและไม่ว่านี่นั้นจะทำขึ้นในรูปใดเช่นการกู้ยืมเงินการกู้ทรับสินการจำนำจำนองการฝากขายการซื้อเชื่อการเช่ า, เชาและอื่นๆรวมความว่าการสร้างพันธะขึ้นให้ตัวเรามีข้อผูกมัดจะต้องจ่ายเงินในโอกาสหน้า เรียกว่านี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตกลงกันด้วยสัญญาด้วยวาจาหรือด้วยพฤติการอื่นๆก็ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าการมีนี่เป็นทุกอย่างหนึ่งในโลกนั้นเพียงยกคำพุทธภาษิตขึ้นทุกคนก็คงจะยอมรับว่ามันเป็นความจริงเว้นแต่นักคิดซึ่งชอบคิดชอบใช้ไปในแง่ต่างๆอาจเห็นได้ว่านี่นั้นในบางกรณีก็ทาให้คนสุขได้ฉะนั้นจึงขอสดทนา กับท่านที่ช่างคิดสักหน่อยจริงการกู้หนี้เขานั้นมีความสุขอยู่ด้วยเรานึกเอาง่ายๆว่าระบบการกู้หนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนทุกวันนี้นี่ไม่เคยขาดแผ่นดินเลยนี่ก็แสดงว่าการกู้หนี้ทําให้คนมีความสุขอยู่คนจึงได้นิยมทํากันความจริงก็เป็นเช่นนั้นคนที่กําลังเดือดร้อนอย่างร้ายแรงเช่นตัวป่วยด้วยโรคร้ายไม่มีเงินจะรักษาตัว หาเงินมาซื้อยาไม่ได้ทันเวลาตัวจะต้องตายในกรณีนี้ถ้ากู้เงินคนอื่นได้ก็รู้สึกเป็นสุขเห็นหน้าเจ้านี่เหมือนดั่งเทพเจ้าจากฟากฟ้ า, าลงมาโปรดนี่ก็สุขเพราะนี่คนหัวการค้ามองเห็นช่องการค้าซึ่งจะได้กาไรอย่างมหาศาลแต่ตัวไม่มีเงินลงทุนถ้ากู้เงินใครลงทุนได้ก็จะแสนสุขใจเหมือนกันบางคนถึงกับลั่นปากเรียกเจ้านี่ คุณพ่อก็มีนี่ก็สุกพระนี่กรมประชาสงเคราะห์สร้างบ้านให้คนเช่าซื้อคือเข้าอยู่บ้านก่อนแล้วชำระเป็นงดงวดจนคุ้มค่าบ้านแล้วจึงได้บ้านเป็นกรรมสิทธิ์ถ้าระหว่างส่งอยู่นั้นผู้ซื้อทําผิดสัญญาต้องคืนบ้านให้กรมประชาสงเคราะห์ไปนี่ก็คือการซื้อบ้านด้วยหนี้แต่ว่าปรากฏว่ามีคนต้องการกันมากจนสร้างให้ไม่หวัดไม่ไหว สร้างเสร็จแต่ละงวด 6-700 หลังคาก็มีคนมาสมัครเป็นลูกหนี้กันจํานวนพันๆต้องจับสลากกันใครจับได้ก็ดีออกดีใจถือว่าเป็นโชคลาภซึ่งความจริงแล้วก็คือแย่งกันเป็นลูกหนี้กรมประชาสงเคราะห์นั่นเองแต่เมื่อได้เป็นลูกหนี้แล้วก็สุขใจนี่คือสุขเพราะหนี้ตามตัวอย่างที่ยกมา 2-3 เรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าหนี้ทําให้คนสุขได้สุขที่ได้เป็นลูกหนี้เขา แต่ว่าโปรดคิดลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วจะเห็นว่าความสุขที่มากับหนี้นั้นมันไม่ได้มาคนเดียวมันมีทุกขตามหลังมาด้วยมันสุขตอนที่กู้เงินได้แต่มันทุกตอนที่ใช้เงินเขาไม่มีเจ้าหนี้รายใดที่จะไม่อยากให้ลูกหนี้ใช้คืนที่ว่าความมีหนี้เป็นทุกนั้นเป็นความจริงที่วินยูชนยอมรับกันอยู่แล้วอาจมีบ้างลูกหนี้โชคดีคือได้เจ้าหนี้ใจพระดอกเบี้ยถูก เวลาก็ยาวแล้วตัวเองก็มีรายได้พอใช้หนี้อย่างนี้ไม่เท่าไหร่ไม่คิดก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไปโดนอีกอย่างสิคุณไอ้เราก็ร้อนเจ้าหนี้ก็ร้ายดอกเบี้ยก็แรงเวลาก็เร่งลองดูใครโดนแล้วจึงจะรู้ว่าลมมันไม่พอจะหายใจหน้าเจ้าหนี้ซึ่งเมื่อวันทำสัญญากู้เราเห็นเป็นเทพบุตรจากชั้นฟ้าลงมาโปรโดนั้นพอถึงเวลานั้นแล้ว กลับจะเห็นไปว่าเป็นผีมาหลอกหลอนจากนรกขุมไหนก็ไม่รู้พระพุทธวจนะที่ว่าความมีหนี้เป็นทุกข์นั้นย่อมจะเป็นสัจธรรมเสมอทีนี้ครอบปฏิบัติละ่ะพระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการมีหนี้แต่ทรงสอนธรรมะไว้สำหรับผู้มีหนี้จะพึงปฏิบัติต่อกันทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ทั้งฝ่ายลูกหนี้คือให้ตั้งอยู่ในความสัตย์ซื่อตรงต่อกัน